ซีดีของหลวงพ่อครบอบเป็นชุดที่เขาส่งมาถวายหลวงพ่อวันนี้โยมทางกรุงเทพซีดีของหลวงพ่อทั้งสิบแผ่นตีว่าชุดที่หนึ่งแต่เขาคงจะไม่ได้คิดอะไรซีดีชุดนี้กอหลวงพ่อเองก็ไม่ได้อยู่ในความคิดที่จะ เผยแพร่ออกไปแต่ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์ผู้ได้ยินได้ฟังนะเขาก็เลยเสนอขอหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ขัดขอ้องเพราะเหตุไรเพราะคาพูดบางสิ่งบางอย่างบางคําพูดญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกยับพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถ้าพูดไปทีไรหาย ไปกับสายลมถ้าคนนั้นมาอีกจะ ต, ต้องอธิบายอย่างเก่านั่นอีกบางคนหลายคนต่อหลายพระต่อหลายเนนต่อหลายญาติโยมแต่ถ้าว่าเราอัดเป็นซีดีไว้ถ้าเขามาถามอย่างที่พงคคนอื่นทําถามที่เราได้พูดไว้กับในซีดีในแผ่นเ p 3พเราก็บอกเอาเอ็พ3ไปฟังก่อนไปถ้าหากว่าคล่องใจตรงไหน เมื่อได้ฟังแล้วให้ค่อยมาถามอันนี้เคเป็นคําพูดหรือเป็นคําตอบอยู่ในตัวเสร็จไม่จําเป็นจะต้องอธิบายแล้วอธิบายซ้ํำซากในเรื่องอย่างเก่าอันนี้เมื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเออใช่ที่ผมถามท่านข่าวนั้นเนี่ยที่ท่านก็ให้มาเป็นคําตอบอยู่ในนั้นเสร็จมันเป็นผลดีสําหรับอาจารย์เองที่ให้คําตอบ คือไม่ตอบไปแล้วไม่ได้หายไม่ได้เสียหายไ ป, ไปกับสายลมทีเดียวอยู่ในแผ่นซีดี MP3 มพถ้าว่าศึกษาดูแล้วฟังดูแล้วไม่เกิดสาระไม่เกิดประโยชน์สําหรับตนเองหลวงพ่อเองก็ไม่ได้บังคับให้ฟังถ้งว่าอยากจะรู้ว่าหลวงพ่ออินสอนอยังไงพิธีการของหลวงพ่ออินสอนอยังไง วิธีแนวการปฏิบัติของหลวงพ่ออินเป็นยังไงที่พลาดเน้นเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่ออินพูดยังไงก็ฟังในซีดีนั้นถ้าว่าโอ้ยหลวงพ่ออินไม่อยู่ในสายตาก็ไม่จําเป็นต้องฟังหลวงพ่อไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้ขอร้องให้ฟังอีกต่างหากถ้าวใครอยากศึกษาถ้าใครอยากปฏิบัติ ก, ก็ฟังได้เนี่ยธรรมะเป็นของกลางเนี่ยพนั้นซีดีแผ่น 10บแปนี้พ่อเองก็ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่บวชขึ้นมาแต่เป็นสมณเณร้ามาเป็นพระใช้ชีวิตอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่เฉพาะพระอย่างเดียวถึงปีนี้ก็4ี่3ปีแล้วบวก8เป็นเณรเข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่อันนี้คือชีวิตของหลวงพ่อที่ฝังตัวอยู่ในพระพุทธศาสนา จะไม่ให้มีความรู้ไม่มีความคิดเห็นเลยพวกเราที่เข้ามาศึกษากับหลวงพ่อจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรหลวงพ่อเองก็คิดว่าตําหนิงตัวเองว่าเราเป็นทัพพีแช่อยู่ในหม้อกแกงถึงจะมากหลายปีดีดักขนาดไหนทัพผีนั้นก็ไม่รู้จากรสของแกงว่าเผ็ดเข้มเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราโง่เง่าเต่าตุนเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ได้มีความคิดเห็นไม่ได้มีข้อสังเกตอะไรเลยเราก็ไม่แพ้ทับพีอยู่แช่อยู่ในหม้อกแกงนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อได้ศึกษามาประสบการณ์มาได้เรียนรู้มาไดศึกษาทางประยัดทางปฏิบัติทางประสบการณ์ของตนเองที่ได้สังเกตเห็นก็นได้นาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกหรือมาพูดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวการศึกษา ของพวกรุ่นน้องๆเด่ดลุงพ่อเองไม่ได้ทิดว่าเป็นปรมาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าเป็นปรมาจารย์สอนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้คิดอย่างนั้นเราเป็นรุ่นพี่เราเป็นสากะยะบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพวกท่านที่บวชเข้ามาภายหลังก็คือน้องเนี่ยน้องอ่า รุ่นพี่ต้องสอนรุ่นน้องถ่ายทอดกันไปตามลำดับที่พี่ได้ประสบประการมาอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเพระดันซีดีที่หลวงพ่อได้ให้พวกเราในวันนี้จะถือว่าเป็นความพูดเลือดแนวความคิดของหลวงพ่ออยู่ในนั้นเกือบครึ่งแล้วเกือบทั้งหมดแล้วมากพอสมควรแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจ ฟังด้วยความใส่ใจหลวงพ่อว่าคงจะได้แนวความคิดลหลายๆอย่างในซีดีชุดนี้หลวงพ่อมั่นใจถึงขนาดนั้นแต่พอพวกเราเอาไปทิ้งๆิ้ห้งองวางเอาไปไว้เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์เปรียบเทียบเหมือนพระได้หวีอย่างบ้านพวกเราเคยเห็นไหมพระได้หวีได้หวีมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะผมไม่มีอย่างนี้กูเหมือนกัน ได้ซีดีมาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะตัวเองไม่มีศรัทธาไม่เชื่อถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรจะถือเอาไว้ให้หนักรกบบานตัวเองรกรถตัวเองเอาคนให้คนอื่นซะที่เขาสนใจแต่ถ้าหากว่าเราต้องศึกษาต้องฟังอย่างที่พวกเราได้เห็นได้ฟังในเรื่องต่างๆในโลกนี้มีต่างเยอะแยะที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาในธรรมะชุดนี้หลวงพ่อว่า เป็นการแนะนำหรือว่าเป็นการสอนทุกระดับทุกระดับชั้นที่หลวงพ่อพูดหัวหน้าควรจะทําอย่างไรเมื่อเป็นลูกน้องเราควรทําอย่างไรเมื่อเป็นพ่อแม่เราควรทําตัวอย่างไรเมื่อเป็นลูกเราควรทําตัวอย่างไงเมื่อเป็นครูบาอาจารย์เราควรทําตัวอย่างไงเมื่อเราเป็นลูกศิษย์เราควรทําตัวอย่างไรถ้าพวกเราได้ศึกษาในธรรมะหรือว่าสี่ดี m อ็มชุดนี้หลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินออพวกเราจะได้รับความรู้และก็วางตัวจะวางตัวยังไงกระสุดแท้แต่ปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้ยินได้ฟังในการศึกษานั้นๆอันนี้ก็คือการแนะนำซีดีที่พวกเราได้รับทั้งชุดในวันนี้เป็นชุดแรกที่หลวงพ่อได้รับ วันนี้เป็นวันที่28มีนา50เป็นวันแจกซีดีชุดแรกที่ครบชุดพวกเราทุกท่านที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาบวชในครั้งนี้หลวงพ่อเองก็มีความห่วงใยคือยังไม่อยากจะให้พวกเราเปล่าประโยชน์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถึงจะมีเวลาบวชเพียงน้อยนิดเดือนกว่า แต่อยากจะให้เดือนกว่านี้มีคุณค่ามีประโยชน์ในชีวิตของพวกเรานานเท่านานแต่ตราบเท่าจนถึงชีวิตจะหาไม่เพราะว่าธรรมะพระธรรมคาสั่งสอนคือหลักเหตุผลถ้าว่าพวกเรานำหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้ศึกษาเข้าใจในหลักเหตุผลคือธรรมะนั่นคือหลักเหตุผลเอาไปใช้ด้ทุกระดับ เมื่อเราเป็นนักศึกษาเราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นแพทย์เป็นหมอขึ้นมาหมอน้อยอ่าเป็นอันดับแรกเรายังไม่ได้มีประสบการณ์มากเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นหมอเป็นอาจารย์หมอหรือเป็นศาสตราจารย์ของหมอเราควรจะวางตัวอย่างไร มีธรรมะอยู่ในใจหลวงพ่อว่ามันไม่กระโดกกระเดกจะราบเรียบราบรื่นรู้จักเขารู้จักเรารู้จักการวางตัวรู้จักปลุกน้องรู้จักเจ้านายรู้จักคนไข้รู้จักฐานะสูงต่าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักการวางตัวมันทำตัวไม่ถูกเมื่อเมื่อทำตัวไม่ถูกก็จะเดือดร้อนในการกระทำของตนเอง อย่างมีหมอท่านหนึ่งเป็นหมอใหญ่ระดับปอสงควดเข้ามาถามหลวงพ่อเขาก็ถามมาหลวงพ่อครับผมเป็นหมอของประชาชนผมจะต้องปฏิบัติให้เสมอภาคจะเป็นระดับไหนมาก็ตามคือจะเป็นผู้ใหญ่ระดับไหนมาก็ตามต้องหอกผมจะต้องตรวจตามขั้นตอนเพราะอันนี้คือคนในชาติพี่น้องประชาชนแต่บางคนก็ตำหนิผมอย่างมาก ว่าผมทําไม่ถูกและในความเห็นของท่านผมก็ยังสงสัยในใจว่าในเรื่องเนี้ผมก็ถามหลายคนแต่ผมก็ผมทําถูกแต่ว่าท่านมีความเห็นว่ายัางไงท่านก็ถามมาเพราว่าหลายคนมาหลวงพ่อเขาบอกว่าเราเกิดมาในโลกเราต้องรู้จักกาละเทสะบุคคลการสถานที่บุคคลเราจะไปทํา เห็นตรงอย่างนั้นหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกแต่ฟังดูนะฟังหลวงพ่อให้เหตุผลดูแล้วค่อยแสงขึ้นมาสมมติว่าพ่อแม่เราป่วยเราเป็นลูกเราจะให้พ่อแม่ของเราทําตัวยังไงเมื่อเข้ามาหาเพื่อจะรักษากับเราสมมติว่าเราพ่อแม่เราป่วยแล้วก็พ่อแม่บอกว่ า, วาเอ อ, อาหาหมอต้องเรียงคิวกันเข้ามาเพื่อรักษากับเราถูกไหมเพราะพ่อแม่จะเป็น ประชาชนเสียภาษีเหมือนกันเราจะให้เกียรติพ่อแม่ของเราเป็นพิเศษไม่ได้ที่คุณพูดที่คุณหมอพูดนี่ใช่ไหมสุปเปรว่าคือที่แรกเขาก็ถามว่าพระเถระผู้ใหญ่ทางจังหวัดภาคเหนือเข้ามาที่โรงพยาบาลเขาเขาก็บอกว่าพระเข้ามาแล้วก็เหมือเสมือนกันทั้งหมดก็ไม่เห็นที่จะแปลกอะไรมาก็ต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับพระทั่วไป พ่อคือพระก็คือพระ ค, คือประชาชนคนในชาติจะไปยกคนนั้นสูงคนนี้ต่าไม่ได้ต้องเสมอกันอันนี้คือเขาพูดเขาเกิดขึ้นมาแต่ข่าวนั้นคือตั้งแต่พระเถระผู้ใหญ่แล้วนั้นทําทให้ลูกศิษย์เขาทั้งหลายเขาเขาก็บอกว่าหมอนี่แปลกแต่เขาว่าตัวเขาเองว่าเขาไม่แปลกเขาว่าเขาทําถูกแต่นี้เขากเมื่อทำถูกมันก็เดือดร้อนกันไปเรื่อยๆทีนี้ตัวเองมันเดือดร้อนเนี่ยตันี้พวกเขาลุมเมา ตัวเองก็ไปสู้กับเขาคนส่วนใหญ่เขาก็ส่วนใจเขากรลุมตัวเองเถอะมันเดือดร้อนเนี่ยตัวเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยทำไมว่าตัวเองทําถูกมันทําไมเขาจึงรวมตัวกันอย่างนั้นเนี่ยทีนี้หลวงพ่อเขาบอกว่าเราต้องรู้รจักสมมติว่านายกรัฐมนตรีเขาก็เป็นประชาชนถ้ามารักษากับคุณหมอ เ, เข้ามาหาคุณหมอ น, ค, มอนคุณหมอก็จะต้องให้เลียงตามลาดับ เข้ามาอย่างนั้นใช่ไหมไม่พูดเหรือระดับสูงกว่านั้นนะพระพรมวงศานุ่งห่วงละ่ะที่จะให้หมอคุณหมอรักษาละ่ะพราะคุณหมอมีฝีมือคุณหมอก็จะเรียงตามลํำดับประชาชนที่เข้ามาอย่างนั้นใช่ไหมครูบาอาจารย์พระเทระผู้ใหญ่เนี่ยน้อยมารักษาก็จะทําให้ตัวให้เหมือนกันเสมอภาคกันใช่ไหมอันนี้แปลว่าเรามอง โลกหรือมองชุมชนไม่รู้จักการไม่จุกไม่รู้จักกาลเทศะบุคคลไม่ถูกในหลักของพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าตลอดกาลเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลควรจะทําตัวอย่างไรเมื่อบุคคลนี้เข้ามาหาเราควรจะทําตัวอย่างไรควรปฏิบัติต่อท่านผู้นี้อย่างไรเมื่อเราเข้าไปหาบุคคลเช่นนี้เราควรจะทําตัวอย่างไรเมื่อไปหาคน ธรรมดาที่ต่ำกว่าเราเราควรจะทำตัวอย่างไรถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันสงบพร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนั่นน่ะแต่ถ้าว่าเราทาไม่ถูกกาละเทศะบุคคลแล้วเดือดร้อนพูดได้อย่งังไอไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนน่ะตัวของเราเองนะจะเป็นผู้เดือดร้อนทุกหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ที่จะก้าวไกลขึ้นไปกระโดดขึ้นไป อาจจะถอยหลังอาจจะถูกปลดอาจจะถูกประนามทั้งที่ตัวเองคิดว่าทําถูกถูกแต่ตัวเองแต่ว่าไม่ได้ศึกษาบักระเทศะบุคคลนั้นเป็นอย่างไงสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าคนทั้งหลายมองมองแบบเถียนตรงจำเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้ามองด้วยปัญญาแล้วจะต้องรู้จักการสถานที่บุคคลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักหนาสําหรับ พี่ทำสำหรับอุบาสิกุบาสิกาพุทธบริษัทของพระ อ, องค์อัตถันยุตตาอัตถันยุตตาปริสัทยุตตาไปชุมชนควรเข้าหาควรจะทำอย่างไรปริสัทยุตตาปุคคลปรโปรกัญยุตตาบุคคลคนนี้เมื่อเข้าไปหาควรทำตัวอย่างไรมีพระบาลีอยู่ในนั้นเสร็จด้วยนั้นพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อว่าอยากจะให้ พระลูกหลานทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติควรจะวางตัวแต่ไม่ใช่เฉลียนะเห็นนันเฉลียอันนั้นไม่ถูกคือให้รู้จักกาลเทศะบุคคลเฉลียนั่นอีกต่างหากนะเอเห็นทรายเลียแข้งเลียขาอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เรื่องของชั้นปัญญาชนหรือว่าปัญญาชนที่จะต้องปฏิบัติปัญญาชนปฏิบัตินั้นต้องทําตัวให้เหมาะสม การสถานที่บุคคลที่มาเกี่ยวข้องควรจะทำตัวอย่างไรสรุปแล้วก็คือให้แบบครบลัดก็คือว่าให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ เ, เมื่อเราเป็นแพทย์เป็นหมอเกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมใดเมื่อขอมอบหมายให้ดูแลกับกลุ่มใดบุคคลใดให้รับผิดชอบให้ใส่ใจถ้าว่าเรารับไม่ได้ เราก็ต้องบอกผู้ที่เหนือกว่าว่าผมเข้าไปเจ้าหรือกับผมรับไม่ได้ในจุดนี้ต้องมีเหตุผลแต่พอเรารับแล้วจากผู้ใหญ่มาแล้วปล่อยปะละเลยไม่ให้ความสนใจแล้วก็ทำแบบทิ้งทิ้งคว่างๆวางถ้าเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่ที่ให้งานมาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อไปเขาก็เข็ดข ย, ยันพร้อม ก, กันก็มองหน้า ไม่ได้เลยเพราะงั้นแล้วก็เราจะเป็นคนที่ดีในชุมชนและสังคมได้อย่างไรเ่เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่อยู่ในโลกหรือว่างทำธุระหรือทำหน้าที่การงานก็ให้สำเนียกสำนึกปฏิบัติตนให้เหมาะสมให้ถูกต้องโดยหลักเหตุผลตาม หลักเหตุผลก็คือหลักธรรมนั่ น, นธรรมะเนี่ยธรรมะคือหลักเหตุผลให้รู้จักการวางตัวสำหรับพวกเราทุกๆท่านนะในการเกิดมาหรือบาการเป็นอยู่ที่จะให้รุ่งจเจริญรุ่งเรืองในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเป็นข้อข้อว่าให้พวกเราได้สานึก ให้สังเกตท่านว่าจักสีเขาว่าจักรในใคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องจักรเป็นล้อหมนุนไปสู่ความเจริญท่านว่าปฏิรูประเทสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรปริสูปัตยะครบสัต์ปรุษอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบปุเพกะตะปุญญาตาได้ทำความดี ทำได้สร้างบุญกุศลไว้ในปางก่อนถ้าว่าทั้งสี่กลุ่มนี้ทั้งสี่ข้อนี้อยู่ในบุคคลใดบุคคลนั่นเหมือนกับล้อรถหมุนไปสู่ความเจริญไม่เสื่อมมีแต่เจริญโดยส่วนเดียวอัตตะสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบสัพริสู ป, ปัจชยะคบสัตปรุษอัตตะสัมมาปณิธิปฏิโลปเทสวาโสจักปฏิโลประเทศ เราเกิดมาในประเทศไทยในพื้นแผ่นดินไทยสมควรเป็นประเทศที่เหมาะสมถ้าจะว่าไปแล้วเป็นประเทศที่ที่ผ่านานมาให้เราเอาเอาสังเกตเอาเครื่องวัดที่ผ่านผ่านมาถึงจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็ยังมีในหลวงหรือประบาดสมเดจพระเจ้าอยู่หัวออกมาปกป้องดูแลประเทศชาติของเรา ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขอันนี้แปลว่าอยู่ในปฏิรูปประเทศความอดอยากหรือธรรมชาติฆ่ามนุษย์ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนวุ่นวายทุกจนเกินไปอย่างพวกเราได้เห็นอย่างต่างประเทศอย่างประเทศบางประเทศเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวแล้วเดี๋ยวก็ธรรมชาติฆ่าคนแล้วแต่พวกเราถึงยังไง ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตก็ยังพอทํำนาทํานองถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้หลวงพ่อไว้เออข้าขายและเข้าขั้นที่ว่าปฏิโรประเทศประเทศอันสมควรออที่ประเทศที่เหมาะสมที่พวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินแห่งนี้ข้อที่สองสับโพธิสูปัจจยะให้ครบสัตธรรมหุษ ให้ครบบัณฑิตการครบบัณฑิตนักปราดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองอยากจะกล่าวคําที่ว่าบัณฑิตนักปราดนั้นถ้าว่าเราไปยกคนใดคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทีือเป็นนักปราดแต่ถ้าว่าคนนั้นบางครั้งที่เราเข้าไปไปคบอาจจะไม่ถูกใจเราอาจจะ มีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจเราเราอาจจะตำหนิในใจทำให้ใจของเราแปา้วหรือว่าใจของเราไม่สบายใจเราก็อยากตำตำหนิในจิตในใจว่าเป็นนักบัญฑิตนักปราดเป็นผู้ซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ททำให้ใจของเราไม่สนิทใจไม่สนิทใจว่าอันนี้คือบัญฑิตหรือเปล่าเพราะนั้นหลวงพ่อเองแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายว่าบัณฑิต นักปราชญ์ที่แท้จริงที่เที่ยงตรงคือธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราเข้ามาคบเข้ามาศึกษาเข้ามาคบบรรดิตนักปราชญ์จุดนี้ถ้า <c oughs> เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เดินดินกินข้าวอาจจะมีที่ตำหนิดได้เพราะท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ยังไม่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเกิดบถึงจะหมดจดจากกิเลสก็เถอะ แต่ตัวของเรายังไม่หมดจดจากกิเลสเราอาจจะเพ่งมองหรืออาจจะพิจารณาตําหนิท่านไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็ได้เพราะใจของเราเป็นเป็นผู้มีกิเลสอยู่แต่ท่านบริสุทธิ์พลอยนั้นทั้งสองอย่างคําว่าคบสัพพิสูปัจชยะเนี่ยคบสัตตบรุษเนี่ยคือบุรุษที่มีพร้อมด้วยสติปัญญาพวกเราน่าจะเข้าคบ บัณฑิตนักปราชญ์คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรร ม, มขันธ์อันนั้นก็มากเกินไปถ้าจะให้ครบจริงๆก็คือสี่ห้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ศี่ห้าประการอันนี้แหละบัณฑิตอันนี้แหละนักปราชญ์ข้อห้ามอย่าไปทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามให้ทําตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ท่านเห็นด้วยอย่าฆ่าสัตว์นะเราก็หยุดฆ่า อธินาทานไม่ดีนะเราก็หยุดกาเมสุมิจฉาจาร์เราก็หยุดการมุสาเราก็หยุดไม่ดื่มโุราเราก็หยุดอันนี้คือเข้ามาศึกษาเข้ามาคบบัณฑิตนักปราชญ์อันนี้ถ้าว่าเราครบได้อย่างนี้มีแต่ความเจริญจากนั้นพระไตรจ้าก็สอนว่าให้มีฮิริคือความละอายนะให้มีเตออดเตปักคือความกลัวกนละัวต่อบาปนะอย่าทํานะ สิ่งที่มันไม่ดีให้มีฮิริคือความละอายแก่ใจอยารร่าทำโอตปะปาคือความกลัวต่อบาปท่านเราทําไปแล้วบาปกรรมน่าจะตามสนองอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งที่เราทําไปแล้วที่ต่างตนไว้ผิดนะอันนี้ก็คือให้พวกเราเข้าคบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์นี่คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุท ธ, ธาจาเจ้าพ่อยันทรัพุริสูปัชยะ จากนั้นอัตตาสมาปนิธิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอย่าทำในสิ่งนั้นทำตนให้ดีอัตตาสมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบถ้าว่าเราตั้งตนผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดคำว่าผิดจุดนี้นะ่ะมันผิดมากและผิดน้อยถ้าว่าผิดมาก ตั้งใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิปฏิเสธบาปบุญคุณโทษไม่มีตายแล้วสูญอันนี้แปลว่าเราปิดประตูของเราตั้งตนไว้ผิดกล้ำที่จะตามสนองใจดวงนั้นไปทางมืดมิดไปทางความชั่วเป็นทางความเดือดร้อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคนที่ตั้งตนไว้ผิดไม่ได้ศึกษาให้ดีจากนั้นก็ทําความชั่ว อยู่ในคุกในตารางมากมายเพราะเหตุไรเพราะเขาตั้งตนไว้ผิดเมื่อตั้งตนผิดแล้วก็ทําผิดพูดผิดสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์นี่แหละอัตตสมาปานิธิปุเพกะตะปุญญาตาพวกเราควรจะทําความดีได้ทําความดีไว้ในปางก่อนอันนี้คือปางก่อนในชาติก่อนในภพก่อนอันนั้นก็คือส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่พวกเราเห็นได้ชัดในปัจจุบันนั่ก็คือสมัยเราเป็นเด็กเราตั้งใจเรียนหนังสือด้วยความเขี่ยวถึงเราตัวเองเราจะมองไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องผู้เกี่ยวข้องพยายามเขี่ยวเข็นเราให้ศึกษาให้เรียนหนังสือเราก็พยายามเรียนหนังสือดังอย่างที่พ่อแม่แนะนําสั่งสอนพวกเราก็ได้เรียนมาถึงป่านนี้แหละ อันนั่นะคือว่าปุเพกะตะปุญญาตาคืออดีตในเราได้ทํากรรมดีไว้ตั้งแต่เด็กจากนั้นการที่กระทําความดีแต่สมัยเป็นเด็กมันสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้เมื่อเราเป็นเด็กเราเรียนดีคะแนนดีจนถึงมาป่านนี้เราก็ได้เข้ามาศึกษาเป็นแพทย์เป็นหมอตามลําดับขึ้นมาแต่ถ้าว่าพวกเราขี้เกียจเรียนแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเด็กเกเรซะ เราไม่ได้ทํากรรมดีเอาไว้เราคิดดูกัแล้วกันเราจะมาถึงจุดนี้ได้ไหมเขาคงจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้ทํากรรมดีไว้ในเบื้องตน้นอันนี้ก็คือกรรมในปัจจุบันคือในชาตินี้แต่ในชาติปางก่อนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองว่าในชาตินี้ชาติเดียวชีวิตของพวกเราในยาวเหยียดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติอย่างที่ พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ในชาติบางชาติก็ขาดทุนคือลุ่มหลงคบกับคนเลวคนชั่วกระทาให้ล่มจมจิบหายไปแต่บางพบบางชาติก็สั่งสมคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลชาตินั้นก็เป็นกําไรนี่แหละถ้าขาดทุนกําไรขาดทุนกําไรแต่โดยมาก ท่านมีเป็นผู้ใ่อยู่แล้วใ่ในการค้าอยู่แล้วใยในการหาบุญกุศลอยู่แล้วท่านก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดัแบบจนถึงที่สุดก็คือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระ อ, องค์ได้ตัดสรธรรมสยามภูรู้แจงโลกจากนั้นท่านก็มองดูอดีตของท่านไม่ใช่ชาติเดียวมีแต่เยอะแยะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่า ปุเพกะตะปุญจะตาที่ได้ทําบุญไว้ในอดีตอดีตแต่ก่อนถ้าพวกเราถ้าจะว่าไปในอดีตก็คือเมื่อวานวันก่อนเมื่อหลังไปสมัยเราเป็นเด็กนั่นแหละอดีตถ้าเราทํากรับไม่ดีไว้ในอดีตถ้าเราขี้เกียจไม่ขยันเรียนเอาแต่ใจตัวเองมีแต่เที่ยวเตะพวกเราคิดว่าพวกเราจะมาถึงจุดนี้ไหม การที่พวกเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าเราเป็นผู้ตั้งใจเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบต่อไปเรื่อยๆเมื่อเราเป็นนักเรียนหมอเมื่อเราจบหมอแล้วเราควรจะทําตัวอย่างไรเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่หลวงพ่ออยากจะพูดหรือว่าอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายความรับผิดชอบนี่แหละตัวนี้แหละสาคัญมากทุกวันนี้หลวงพ่อไปเห็นนะสถานที่ใดหลวงพ่อตะกิดตะขวางใจ อยู่ตลอดคือความรับผิดชอบคนในชาติแบบสุกเอาเผากินอันนี้รู้สึกว่าจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทุกวันนีสรุปแล้วก็คือคนใจร้อนไม่ได้อยู่ในเหตุและผลแต่ตามไม่จริงพวกเราทําสิ่งใดก็ตามก็ควรจะอยู่ในเหตุผลค ว, ควรความรับผิดชอบเขาเราสิ่งรอบด้านสิ่งรอบข้างเขามอบหมายสิ่งไหนให้มาใหเราทา เราทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดจะให้ขาดตกวกพ่องเมื่อเขาตำหนิชี้โทษมาเราก็กัดกลองด้วยเหตุและผลเราจะไม่อาใช้อารมณ์บู้ความเข้าไปปะทะประทังกับเขาถ้าเมื่อประทะก็ต้องมีเหตุผลที่เข้าไปปะทะต้องไปชี้แจงเหตุผลในเมื่อเราได้รับในสิ่งเหล่านั้นแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คื อ, คอว่าปุเพกะตะปุญญาตา ปูเตธรํากล่มดีเว้นอาดิติถ้าว่าเราตั้งตนไว้ชอบมันจะผิดไปเรื่อยๆนะอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นคู่อริกับพระพุทธเจ้าตั้งตัวผิดตั้งต้นผิดทําไมในหลักในพระพุทธศาสนาที่ว่าชาดกที่พระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ท่านก็บัรยายเกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตอันนี้เราก็ฟังเอาไว้นะฟังเอาไว้ด้วยเหตุผล เราจะไปฟังเทีย ว, ว่าไม่เชื่ออย่างเดียวมันก็ปิดหูปิดตาเราถ้าว่าเราเชื่ออย่างเดียวอใครพูดอะไรเชื่อหมดอันนั้นแกแปลว่าปัญญาของเราอ่อนเกินไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฟังเอาไว้ด้วยเหตุและผลในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดเอาไว้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเราก็ฟังไดศึกษาท่านบอกว่าถ้าเทวทัตตั้งตนไว้ผิด สมัยก่อนที่เป็นคู่อริกับพระพุทธเจ้าตะก่อนท่านก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่รู้วันิสัยของพระเทวทัศน์นั้นเป็นยังไงเป็นผู้เห็นแก่ได้เป็นผู้ชอบขี้โกงเพราะ ง, งั้นจิตวิญญาณตรงนี้ชอบขี้โกงถ้าว่าพอที่จะโกงใครได้พอที่จะหักหลังใครได้พอที่จะเอาเปรียบรัตเอาเปรียบใครได้แปลว่าดวงวิญญาณนี้แปลว่าจัดการเลียย เพราะนั้นในชาติน <Kelvin and grace> ั้นท wow. ี่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันกับเทวทัตเนี่ยแต่สมัยนั้นก็คงจะไม่ใช่เทวทัตหรอกแล้ว่าชื่ออย่างอื่นชื่อยังไงก็ในชาดกนั้นเป็นเพื่อนกันเป็นบุรุษแต่มีอาชีพเดียวกันโดยมากคนที่มีอาชีพเดียวกันจะทะเลาะกันให้พวกเราสังเกตดูก็แล้วกันอย่างพระก็เหมือนกันถ้าเป็นพระน่มจะทะเลาะกับพระนะจะมาโดนมากจะไม่ทะเลาะกับโยมนานๆจะมีทีถ้าเป็นหมอเนี่ยกับทะเลาะกับหมอ โดยมากแข่งแข่งกันทะเลาะกันถ้าว่าคลินิกอยู่ใกล้กันหรือว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้กันหรือว่าทํางานอพอออยู่ใกล้กันเนี่ยโดยมากจะอแย่งแย่งกันหรือว่าแข่งกันโดยไหนอย่างนั้นนะจะทําให้คนทะเลาะกันได้ง่ายแต่ว่าร้านค้าก็เหมือนกันถ้าร้านค้าถ้าขายคนละอย่างกันขายอย่างอื่นไปความทะเลาะกันก็จะไม่มีถ้าว่าขายอย่างเดียวกันนั่นแหละจะค้าอย่างเดียวกันอย่างนั้นแหละ ดูสัตว์ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าหมาเห็นหมานี่ยมันเหมือนกับนเดินไปที่ไหนมันก็นควรค้างสิอันแฮ่แห่อย่างนั้นเอางั้นแต่พ่อหมาเห็นวัวเห็นควายมันก็เฉยอันนี้พ่อควายเห็นควายก็เหมือนกันเลยจะทะเลาะกันอ่ะแต่ควายเห็นวัวก็ไม่เป็นไรเฉยนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันในยุคนั้นพระพุทธเจ้ากับเทวทัตก็ลักษณะอย่างนั้นอ่ะเเป็นเพื่อนกันแต่เป็นพ่อค้าทองขายทอง ขายทองลูก ป, ประพันธ์พกูกสายสร้อยสายแววนแต่มาขายของเก๊แหน่ขายให้คนกระบอกเหมือนกันอะมาของเก๊ราคาถูกขายให้เด็กเป็นเครื่องประดับสร้อยคอบ้างอะไรบ้างตุ่มหูบ้างรักษาอย่างนั้นอะแหนเป็นพ่อค้าไปด้วยกันแต่ว่าพ่อค้าเทวทัศน์เนี่ยพอข้ามน้ำก็เหมือนกับแม่แม่ฝั่งนนทบุรีฝั่งทนกับกรุงเทพอย่างนั้น่ะ สมัยก่อนไม่มีสะพานฝั่งทุนและก็ฝั่งกรุงกนง็นั่งเรือไปพอนั่งเรือไปถึงฝั่งทางนู้นเทวทัตก็ขึ้นไปทางเหนือพระพุทธเจ้าของเราไปทางล่างคือไปในหมูหม่บ้านเดียวกันคล้ายๆก่อนนัดพบกันมาอยู่ที่ท่าเรือลักษณะอย่างนั้น่จากนั้นก็โคง้งมาเจอกันที่ท่าเรือนจากนั้นก็นั่งเรือกลับทอนี้ พวกพระเจ้าเนี่ยไปทางตางข้างล่างเทวทัตเนี่ยไปข้างบนไปข้างบนหมู่บ้านเตีวเทวทัตเนี่ยเดินไปเดินไปไปเจอบ้านเศรษฐีเก่าบ้านเศรษฐีเก่าคือเศรษฐีตกทุกข์ยากใกล้ๆว่าเป็นลูกเป็นหลานของเศรษฐีแต่ว่าพวกโลหะต่างๆพวกขาดโผลโอชามเนี่ยเขาค่ะขายกันไปกินเป็นทอดๆไป ล, ละแลละแต่มียายคนหนึ่งที่เป็นเชื้อสายของเขา เ้อสายเศรษฐียายคนนี้ก็มีถาดอยู่แผ่นหนึ่งที่เก็บไว้ในบ้านมันก็เข้าอย่างปรีแล้วแหะถาดใบนั้นทีนี้เทวทัศน์เขไปก็ไปถึงบ้านตระกูลนั้นลูกหลานก็ก็ลุมมาอยากจะได้เครื่องประดับตุ่มหูสายสร้อยกับพ่อค้าที่นํามาขายนั้นยายก็ไม่มีเงินท่านลูกหลานก็หลายคนยายก็เลยบอกว่าพ่อค้าอถ้าหากว่า ลูกหลานของข้าหลายคนฉันจะเอาถาดทองใบนี้เปลี่ยนเอาสายสร้อยเให้ลูกหลานเนี่ยให้ครบคนพ่อค้าก็เอาถาดทองนี้ไปเอาให้ครบกระลอยู่แล้วว่าพ่อค้าเถียวทัศดเป็นพ่อค้าที่ขี้โกงเว้ยนั่นแหลจากนั้นท่านก็อนเอามาดูซิเขาก็เอาถาดมาให้ถาดโอ้ยกขึ้นมาแล้ก็หนักกึกโอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ ถาดธรรมดาเนยทองแน่เลยเนะี่ยพรพ่อค้าเขาหัวนั้นอยู่แล้วเนะี่ยยกถาดทองขึ้นมากรู้นเลยว่านะี่คือทองคําจากนั้นเขาก็เอาเข็มกรีดอยู่กรีตัวมันก็อ่อนตุ้มอ่อนเลยงั้นโอ้หอันนี้ทองคําตั้งที่จะพูดตามความเป็นจริงไหมไ เ, ววนเนี่เทวทัศน์นี่ยขี้โกงอยู่แล้วเนะี่ยจะกดเข้าลงไปอีกบอกาโอ้ยถาดอันนี้มันถาดไม่มีคุณค่านะดูดูสิมันดําไปหมดแล้วเนะี่ยถ้าจะให้ตุ้มหูสายสร้อยก็เพียงได้สองสาอันท่านเองลนะ่ะ แต่จะให้ทั้งครบเด็กทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หรอกยายทางยายเขบอกโอ้ยถ้าไม่ครบเด็กเนี่ยเดี๋ยวมันจะให้ไปมันก็เดี๋ยวเด็กทะเลาะ ก, กันอีกท่า ง, งั้นก็ไม่เอาละั้นเก็บไว้ก่อนแต่ ง, งั้นก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเอามาไม่ครบกันลูกหลานของชั้นมึงเนี่ทะเลาะ ก, กันอีกเนี่ยนี่ฉันไม่อยากจะดูท่านได้ครบกันแล้วก็ไม่เป็นไรเอาถาดนี้ไปเลยเอ๋เทียวถาดก่นโอ้ยถ้า ง, งั้นก็ไม่เอาแล้วนะ เพื่อจะโกงราคาเขาจากนั้นก็ในใจในหมุมหมับมุมหมับมุมหมับคิดอยู่แบบนั้นแต่โอ้โหถาดไปนี่ถาดทองคําแต่อีกไม่เป็นไรเราเราเปิ้นเดินไปสักหน่อยท่านเรากลับลําใหม่นี่มันจะอายเขาลักษณะอย่างนั้นอ่ะไปสักหน่อยแล้วจะกลับมาแล้วก็มาเอาทีนี้ก็ไม่คาดคิดว่าเพราะพุทธเจ้าของเราหนึ่งท่านก็ขายของไม่ได้ขายขายขายไปไม่ได้มันกับท่านก็มาเร็วกว่าปกติแบบนั้นแต่ พอมาถึงจุดนี้อคงจะเป็นกล้ำอะไรก็ไม่รู้แล้วกนะันพอมาถึงเนะี่ยเด็กก็รุ่มมาอีกอย่างเกานะ่าอยากจะได้ตุ่มหูสายสร้อยจากพ่อค้าแต่นี่พอพูดให้เจ้าท่านเป็นคนซื่อตรงเถอะนท่านก็บอกว่าแม่เนี่ยยายก็พูดอย่างเก่านะะั่นน่ะอยากจะได้ตุ่มหูสายสร้อยให้ครบเด็กที่เป็นลูกหลานของเขาพอพูดให้เจ้าก็เลยสมัยนะั้นท่านเป็นเป็นคน เป็นผู้ชายเพรางั้นนี่ยเป็นพ่อค้าเพรางั้นเถอะอันนี้คือคือมือพ่อค้าสมัยนะั้นชื่อว่ายังไงเออเพราะนั้นหลงพ่อก็เลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันให้จำงาง่ายอันนึงเทวทัตใช่สมัยนะั้นก็ไม่ใช่เทวทัตหรอกแต่ชื่อยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคือใจของท่านวินจาณของท่านในยุคนั้นนะ่ะเออมาถึงยุคนี้มาถึงยักษยุคสุดท้ายเนี่ยคือเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเพาะงั้นเถอทีนี้ออกมาถึงเขาก็ลุ้มมาอีกเขาก็อยากจะได้ ใหญ่นั่นก็เสนอถาดใบเก่านั่นแหละพระพุทธเจ้านี่ก็จับดูอพอค้าทองนี่ก็จับดูพอค้าทองพระพุทธเจ้านี่จับดูพอจับดูโอ้ยทองคำวะ่ะมันหนักหนะ่ะแล้วก็เห็นแผลที่พวกค้าคนนั้นกรีดดูแล้วเออทองแท้ๆเลยเที่สิทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยกรีดดูอีกเหมือนกันกีดทองดีโอ้ใช่ทองแน่ๆแต่นี้พระพุทธเจ้าเป็นคนตรงเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นผู้มีคุณธรรมบอกว่ายายถ้าว่าพระว่าไปแล้วสายสร้อยตุ้มหูอยู่ในบาของผมแหละในถุงของผมที่เอามาเนี่ยกับทองกับถาดไปนี้เนี่ยมันเทียบกันไม่ติดนายายถาดของยายมีราคามากแต่ของในบาของผมเนี่ราคาไม่มากถ้ายายยายจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ผมจะให้ทั้งหมดยายนังโอ้ถ้าว่าเป็นอย่งงางนั้นกับเปลี่ยนแล้วเอาไปเลยเออเอาไปเลยเอาถาดไปเลยได้จะเปลี่ยนเอาทั้งหมด พราะ่อค้าคนก่อนเขาว่าไม่มีราคากลัวลูกหลานทะเลาะกันวันนี้พ่อค้าบอกว่าคุณบอกว่าราคามากเอาไปเลยพอพ่อค้าเนี่ยไปยกตุ่มหูสายสร้อยอยู่ในบาของเองที่เอามาที่อยู่ในกระเป๋ายกให้เขาทั้งหมดยกให้ยายนั้นทั้งหมดจากนั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อค้าเนี่ยโอ้ไม่ได้ถ้าเราขืนอยู่ต่อไปพ่อค้าโกงนะ่าต้องกลับมาแ น, น่ ถ้ากลับขึ้นมาแล้วท่นนี้อันละมันจะลุกต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นต้องมีการฆาดตีกันแลว้วว่าลักษณะอย่างนั้นน่ยคงรู้กันอยู่นิสัยอย่างนั้นแต่จากนั้นพ อ, พอพระพุทธเจ้าได้แผนทองคาวำเดินอ้าวเลยว่างั้นแต่จะไงจึงจะถึงฝั่งขึ้นเรือโดยเร็วเงินจากนั้นมาถึงฝัง่งนั่นก็ขึ้นเรือเลยอย่างั้นแต่ข้ามฟากเลย น้ำแม่น้ำก็คงจะไม่กว้างเท่าไหร่คงจะมองเห็นกันอยู่งั้นแต่ทางโน้นก็เทวทัศน์ก็รีบไปเลยก็มาหายายยายก็บอกว่าโอ้ยพ่อค้านั้นเอาไปแล้วโอ้โหเทนี่ไฟลุกโชนเลยในจิตใจขึ้นมโมโหโผูกผกยาบาดอาฆาตอย่างแรงเลยงั้นทนีวิ่งทั้งวิ่งทั้งอะไรพอมาถึงท่าน้ําเรือขึ้นไปฝั่งนน้นแล้วเทนี้จะตามไปก็ตามไม่ทันหาเรือไม่เจอแล้ว บอกว่โอ้โหทาไมเธอจึงหักหลังเราถึงขนาดนี้เราคิดว่าเราจะกลับมาเอาอยู่อทําไมจะมาเอาถาดทองไปนั่นไปรู้จักมันเป็นทองเป็นเงินเป็นราคาเท่าไหร่เหมือนกันถ้าเอาก็เจ้าไม่เอาคุณไม่เอาเนี่ยผมก็มาก็เอาแล้วก็เปะให้เขาแล้วได้เปลี่ยนเอาให้เขาหมดแล้วได้คุณว่าคุณไม่เอาว่าของไม่มีราคาจะให้เราจะกดราคาเขาลง ท่านี้ก็ตามไม่จริงถ้าเป็นหลวงพ่อนะถ้าคนไม่ไม่ทะเลาะกันนะ่ะอคนจะมาคุยกันดีๆโอ้เรายอมผิดแล้วละ่ะเอาแบ่งปันกันซะไอ้พ่อค้าของนี่ก็เอาแปลงยอมแยงแบ่งให้ซะไอ้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอันนี้คือความทะเลาะกันก็จะไม่มีก็จะไ ม, ม่จะไม่มีเป็นนิทานยืดยาวว่างั้นดเด้อเนีถ้ามาทะเลาะถ้าถูกกันอย่างนั้นแล้วเรื่องเราก็คงจะจบกัน คือสรุปแล้วก็คือผลประโยชน์เนี่ยแบ่งกันหลวงลงตัวว่างั้นแต่แต่อันนี้คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าคงจะเห็นรู้แก่ใจพระเทวทัตนั้นหนีนินสัยยังไงก็คงจะไม่ยอมแน่แน่ก็คงจะแย้งเอาแล้วก็คงจะฆ่าอะไรเกิดขึ้นด้วยถาดแผ่นเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยหอบถาดไปนั้นแล้วก็ห น, นีอย่างสุดๆว่างั้นแต่ขึ้นฝังแล้วเทวทัตตามมาก็คงจะหากันไม่เจอลักษณะอย่างนั้น แต่เทวทัศนนี่ก็คงจะรู้เหมือนกันน่ะใครได้ทองไปนั้นก็คงจะไม่มีการแบ่งกันเด็ดขาดเหมือนกันเนี่ยเราเสียเปรียบอย่างสุดๆในครั้งนี้เหมือนกันจากนั้นก็มากันกรรมทายขึ้นมาสองกำมือเหมือนกันประกาศขึ้นในฝั่งแม่น้ํานั้นบอกว่าเนี่ยเจ้าเนะ่ยหักหลังเราอย่างแรงตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะผูกพยาบาทอาฆาตกับเจ้าเจ้าเกิดในภพใดชาติใดขอให้เรา หลังแกเบียดเบียนฆ่าเจ้าอยู่ทุกภพทุกชาติ เ, าเทวทัตประกาศขึ้นมาแล้วก็กำสายขึ้นมาสองกำมือทางพระพุทธเจ้าเห็นสายสองกำมือก็ยังพูดเดียวว่าเอ้ยมากเกินไปแล้วเพื่อนขอกำมือเดียวก็น่าจะพอแล้วอย่าไปเอาสองกำมือเถอะแต่เทวทัตก็แสนดีนะคือแสนดีวางกำมือนั้นหนึ่งลงเหือ เอากำมือหนึ่งกระแทกเขาหน้าอกที่หัวใจแหมก็คงจะแปลว่าอัดอั้นตันใจแล้วว่ามีความเลือดหัวใจในพล่านแล้วงั้นผลที่สูดก็เลยอาเจียนเป็นเลือดออกมาในขณะนั้นเอากําปั้นกระทบทิ่หัวใจด้วยความโกรธแค้นกวดแคน้แคนอย่างมากวราะงั้นอาเจียนออกมาเป็นเลือดก็เลยตายอยู่ในนั้นฝั่งแม่น้ํานั้น ส่วนเพื่อนเนี่ก็เปิดแหนบฟังกันอันนี้สรุปแล้วก็คือเทวทัตตั้งตนไว้ผิดอัตตสมาปรนิธิเนี่ยตั้งตนไว้ผิดคือผูกพยาบาทอาฆาตตั้งแต่บัดนั้นมาเทวทัตเลยเป็นผู้จองล้างจองผ่านพราะพุทธเจ้ามีตรหนีลูกเดียวเทนะ่านบำเพนคุณงามความดีบำเพนศิลป์ศิลธรรมเทวทัตก็พยายามลังแกเบียดเบียนจนถึงขั้นสุดท้ายมาชาติสุดท้ายพระพุทธองค์ก็บวช ได้ตัดสรธรทำเทวทัตุก็มาบวชอีกมาลังแกอยากจะเป็นพระพุทธเจา้าแทนพระพุทธเจ้าอีกคือคือตั้งตนไว้ผิดตั้งแต่นู้นแหะตั้งแต่ริเริ่มเป็นเพื่อนกันแต่คราวนู้นจนมาถึงขั้นสุดท้ายนะครับอทำกับธรรมเนี่ยมันชนะกันไม่ได้อะธรรมจะชนะธรรมไม่ได้ธรรมเท่านั้นจึงชนะอะธรรมเพราะงั้นะ พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมท่านมีเมตตา ม, มีตะบําเพนคุณ ง, งามความดีอยู่ตลอดแต่เทวทัศน์นี่พยายามจองร่างจองผ่านอยู่ตลอดนีพระเทวพระพุทธเจ้าไม่จะสั่งสมคุณงามความดีอยู่ตลอดเนี่ยในสุดพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานปรินิพพานเทวทัศน์ก็นั่นแหละตกอเวจีมหานรกยังไม่ผุดไม่เกิดไปคนละทางกันนะหันหลังให้กันงั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือเทวทัศน์ตั้งตนไว้ผิด ตั้งตนไม่ผิดแต่ทีแรกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์การที่จะทำอะไรก็ตามพยายามตั้งตนให้ถูกต้องให้มีเหตุให้มีผลให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักบุญคุณของประเทศชาติบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักกาละเทสะบุคคล นี่แหละอันนี้แหะคือการดํารงชีพของพวกเราถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้ความเจริญร่มเย็นผาสุขก็จะมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายนะีอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือศินจากเป็นเป็นประมมดเป็นประเภทหมวดศินการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขส่วนธรรมนั้น ธรรมะปฏิบัตินั้นในหลักที่พระพุทธเจ้าให้ถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เลื่องลงไปถึงเราจะทำดีมากขนาดไหนกับใครก็ตามทำดีที่สุดบีขนาดไหนแก่เจ็บตายก็ยังเราก็ยังหนีไม่พ้นอยู่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ดูให้ดูจุดนี้ ถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเกิดแก่เจ็บตายจะต้องตามเรามาทุกคนเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ชําระกายวาจาให้ชาระใจของตอนเองก่อนที่คนที่จะเกิดขึ้นมาได้เกิดมาเพราะอะไรมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นใจดวงนี้เพราะนั้นพระอริยเจ้าที่ท่านตรวจตราดูเชื้อของใจคืออะไรเชื้อเจตที่จะทำให้เกิดนั้นคืออะไร คือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่หละตัวอวิชชาตัวความรุ่มหลงอยู่ในจิตใจของปุถุชนเพราะนั้นใจดวงนี้จึงเป็นนักท่องเที่ยวมกุฏเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมองดูในอดีตชาติของพระองค์กี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสนชาติและพวกเราก็เหมือนกันไม่แพ้กันเพราะนั้นก่อนที่พวกเราเกิดไปนั้นเพราะอะไร อกพุทธเจ้าตนออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังจนถึงโสกปรีเทวทุกโทรมร ส, สุการทุกโศกร้องให้พิไรรำพันที่เป็นทุกทุกวันนี้เพราะออกมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้ตัวอวิชชาเพราะนั้นให้ดูให้สำระใจของเราให้หมดจดถ้าดูพิจารณาใช้หลักธรรมะ ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางไปทีละน้อยละน้อยเห็นร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งแตกสลายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นน้ําสู่น้ําดินสู่ดินลมสู่ลมไฟสู่ไฟอต้องเผาไฟแน่ๆในร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละจากนั้นก็พิจารณาถึงใจใจคือตัวนามธรรมตัวผู้รู้เนี่ยที่ไปลุ่มไปหลง ในเรื่องต่างๆอันนั้นคือยศของข่าอันนี้คือพี่น้องของข่าอันนี้เงินของข่าอันนี้แห่งบริษัทบริวารของข่าอันนี้วัดของอข่าข่าในมีผู้มีอํานาจวาสนาบารมีถ้าไปล่มหลงอย่างนั้นผลที่สุดสิ่งที่ว่าข่าของข่าของข่าทั้งหลายแหละแต่ขน า, าดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของข่าจะต้องหนีออกจะต้องตายจากใจของเราอยู่แล้วความนึกคิดของเราอยู่แล้ว แต่ส่วนอื่นจะเป็นของข้าได้อย่างไรนี่สิ่งเหล่านี้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครที่จะคิดแทนเราได้เราเท่านั้นเป็นผู้คิดตัวเองเป็นผู้ทำความเข้าใจกับตนเองเป็นผู้ให้ปัญญากับตนเองอเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันในสิ่งเหล่านี้แล้วนะวงพ่อว่ากิเลสราคะโทสะโมหะไม่ขยับน้อยก็ต้องมาขยับมากผลสุดเราถอน อด้วยปัญญาของเราถอนออกจากใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าคือธรรมะที่ปล่อยวางนะธรรมะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็อันนั้นก็คืออันนั้นอันนั้นคืออันนั้นอันนั้นคืออันนี้น อ, อเมื่อรู้เห็นแล้วกนะ็ปล่อยวางลงจุดนั้นนะ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะหลวงพ่อได้พูดอันดับแรกกันแนะนำเรื่อง CD MP3 ที่หลวงพ่อได้แจกไปมีจุดประสงค์อะไรทำไมนะจากนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่การวางตัวของพวกเราให้รู้จักกาละเทศะบุคคลถ้าว่าพวกเราวางตัวถูกแล้วความสงบร่มเย็นผาสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ลืมหลักธรรมะ อันลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าถึงจะทําดีขนาดไหนแก่เจ็บตายก็จะต้องมาถึงเราอยู่อันนี้เราให้ระลึกไว้อยู่เสมอถ้าเราระลึกไว้อยู่อย่างนั้นความประมาทนอนใจจะไม่เกิดขึ้นเราควรจะทําตัวอย่างไรเราควรจะปรับปรุงแก้ไขไกายวาจาใจของเราอย่างไรจากนั้นเราก็ทำบามรมีของเราของเราแก่กล้าแล้วก็พยายามดูต้นตอของใจของเราใจของเราที่มันติดมันข้องอยู่ทุกวันนี้คือติดตรงไหน อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเราก็จะเห็นชัดเจนอวิชชาปัจจญาสั่างฆาราเพราะมันมีกิเลสละคะโทสะโมหะในใจเมื่อเราเห็นรู้แจง้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจุดนี้ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ดุจพ้นก็จะเกิดในใจของเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นะวันนี้หลวงพ่อได้พูดธรรมะในหลายข้อคิดในหลายแนวทางให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ก็เห็นว่าพอสมควรข อ, อยุติในการการแสดงธรรมเพียงเท่านี้